เมือ่อในเป็นวันที่ยี่สิบดมกราคมพุทธศักราช2557ห้ารเจ็ดลวงพ่อเองจกักแมนยังเอามาเบาเหลืองแต่ละมือมาเบาให้ลูกให้ล้านให้คณะสัทธาญาติโยมฟั่งมือหนึ่งเอาเหลืองหนึ่งมาเบามือนึงเอาเหลืองนึงมาเบามาเบาให้ฟั่งตามสิตใจเงี้นมาประสบประ ก, การ แล้วก็เรื่องที่เป็นจริงได้โมเมนต์สียกเมกมาวอกเรื่องที่จะเป็นจริงเพื่อการศึกษาเพื่อเรียนรู้สำหรับพวกเฮาทั้งไฟพระพร้อมทั้งไฟสัทธายาดยม่มพร้อมฮะแล้วก็มือเอือนเมือนวันที่28วันที่29่ส้มืออื่น ฉันจงหันแล้วหลวงพ่อก็คงจะเดินทางไปสกลนครงานครบรอบห4สบสี่ปีหลวงปูหมันเป็นมรณภาพเขาก็จัดงานทุกปีทุกปีนะกูบาอาจารย์รุ่น ก, ก้อนจัดแข่งขันเพราะช่วงลางลางมากเลยจัดมีการไหวพระสวดมนต์แล้วก็ ฟังธรรมเทศนากูบ า, จายจยนจนถึงน่นวันที่สองนทะี่สมพอดะเริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบเกวันที่ยี่สิบเกป็นการบวชชีพรามหลวงพอ่อเขคงจะไปสวดมนต์แล้วเขคงจะแสดงธรรมเทศนาวันที่ยี่สเกาประมาณสองทุ่ม และก็พ่อมกันที่หลวงพ่อว่าจะเป็นองค์แสดงธรรมขอนิมนต์แสดงธรรมในหนังสือเขานะแต่หลวงพ่อก็มาพิจารณาเบิ่งแล้วมีแต่เมื่แต่เ ม, ม่คู่บาอาจารย์ระดับใดพานเ อ, อความพานห่อนพานหนาวมาพ่อมากพ่อชมควนแล้วแต่หลวงพ่อไปนสถานที่ใดขัเห็นพระสงฆ์มากคู่บาอาจารย์ มาจากวัดต่างๆมาร่วมกันผนงพอจะบอกแบบโน้มนาวหรือว่าชี้จุดให้เบิ้งในความเห็นของหลวงพ่อแต่บางองค์เพิ่นอาจจะไปคนอัตางเพิ่นอาจจะเห็นดีกว่าเฮ้าก็ได้แต่เพิ่นบาเบาวบาปากแต่บางองค์ก็เอาเป็นมีความเห็นแบบนึงเพราะหลายองค์เลยหน้าจิตต่างหน้าทัศน์แต่หลวงพ่อนี่โน้มนาวชี้จุด อีกจุดหนึ่งไอโมูได้เบังกู้บายจาย์ได้เห็นน่องนุ่งได้เห็นคำว่าน่องนุ่งก็คือผู้ที่มีอายุพรรษาหน่อยโกลงพอเออเน่องนุง่งแต่ว่ากูบายจานเนี่ยคือผู้มีอายุพรรษามา ก, กว่าเท่าก็บหอความเคารพเพินคือพี่พี่ของเงข้ากันอายุพรรษาน่อยอออออเพราะว่าน่องน่องๆเพราะว่าลงพอโดยมากไปใส่เดี๋ยวนี้ สอบจะเป็นได้นางผุดแปะหัวหนาหรือว่าใกล้ๆหัวหนาคันงานน้อยก็เป็นหัวหนามู่ล่ะพอเหตุใดเพราะพันษาของหลวงพอ่อปีเหนี่ยมสี่สิบเก้าพันษาได้ลูกหลานเนี่ยว่าแม่นน่อยปันใดอทันนับบวกบวกเน่นแปดเข้าไปอีกเถอะเนี่ชีวิตของนักบวชนี่ชีวิตพระเน่นของหลวงพ่อเนี่ยมันหาสิบกว่าปีเพราะนั่นหลวงพ่อไปใส่เนี่ เกือบจะนั่งเป็นหัวหนา่าวหัวแถวล่องวงมาบ ก, กี้องค์แต่หลวงพ่อเองถึงจะมีอายุพรรษาก็าเถอะแต่ว่าการแสดงถ้ำวันตองละมัดระว่งแต่ว่าชัท่ายาดโยนที่เป็นลูกชิดลุกหาโอมรับเล่าก็แสดงอีกแบบหนึง่งพูดให้ฟังอีกแบบหนึง่งหรือมาออกจากจริงจังและจริงใจแต่ เ, เข้าไป สู่ชุมชนสาธารณะจังสันผู้เห็นด้วยก็มีผู้ไปเห็นด้วยก็มีผู้เชื่อก็มีผู้ไปเชื่อก็มีเพราะว่าหน้าหน้าจิตตังผู้ประมาทอยู่ก็มีิแต่ว่าถึงอย่างไดก็ตามในเมื่อเข้าไปสู่จุดนั่นเข้าเสีเ่ยวจังไดหลวงพ่อจุดลักษณะธรรมเนรเห็นพระสงฆ์มากมากหลวงพ่อจะโน้มน่าวเบาเออ ครบาอาจารย์นอกนองทางหลายนะเข้อเฮาเป็นลูกเต้าเล่ากอมาเจใสเฮาเป็นกอใดเฮาเป็นตระกูลใดไอ้ีมาเนี่เฮาเป็นตระกูลใดให้เบิ่งตระกูลเจ้าของเนะ้อตระกูลของเฮาคือตระกูลหลวงปู่เสาหลวงปู่หมัดเป็นต้นตระกูลแต่นอกจากหันไปเฮาบุกจักเพราะมัมีการบันทึกเป็นขอความเป็นเอกสาร แต่พ่อมาถึงหลวงปู่เสาหลวงปูม่มันเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเข้าได้รับการศึกษาในเป็นมหาป ร, รีญยนหลายองค์เพิ่นก็ได้ลงเขียนเป็นลิกคิดเป็นประวัติเพิ่นก็สืบสอบถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ใส่ปฏิบัตาาิม่จ้างไดเพิ่นก็ได้ลงเป็นประวัติอย่างพวกเข้าได้เห็น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 แต่ถ้านี่เป็นเป็นอย่างหลงปูหมันหลงปูเสานี่ยเพิ่งยังเอาสายนี่มาสอนพวกเข้าถ้าเปรียบเทียบไปทั้งพระพุทธทเจ้าพุทธบัตรต้นตะกูลใหญ่ของเข้าน่ะพระประรมาศาสดาสัมมาสัมพุทธทเจ้าเพิ่นสอนจังไร เ, เพิ่นก็นในปฐมสมโพธหรือในพุทธประวัติพระพุทธทเจ้านี้ออกจากเวียงว่างไปอยู่ในปา่าไปบวช ไปส่งผนวดอยู่หกปีไปอยู่ในปา่าไปค้นคว้าศึกษาเออคือกันกับไปลองวิทยาศาสตร์ทั้งสัตวไปทดลองวิทยาศาสตร์หรือไปทดลองกเกษตรทั้งสัตวล่ะเข้าปัญหาอย่างเพิ่ไปเออหรือไปทดลองความรูความฉลาดความสามารถของเพลินไปฟึกฝนอยู่หกปีแในเมื่อฝึกฝนอยู่หกปีไอ้คนที่ไปฟึกฝนนี่ล่มเหลวก็ มากต่อมากในโลกเนี่ยแต่พระพุทธเจ้านี่ยเป็นผู้มิบุญบารมีบุญนักสักยัยมากในอดีตตชาติเพิ่นจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเพิ่นจะไปบำเพ็ญอยู่หกปีเมื่อหกปีะวันเดือนหกเพนเพิ่นได้ตัตรูเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพิ่นเฮ็ดจังไดร น, นี่แหละเพิ่นภาวนาของเพิ่นพระพุทธเจ้าวันเดือนหกเพน เออเพลนนางพาวนาจุโคนตนโพ่เหงาตนโพ่อพุท ธ, ธกยาพระอาทิตย์ยังพระท่านต๊กดินมือนันวันเดือนหกเพ่นนายโสธิยะไดนน้นำยาฆ่ามาก็เลยหมอบไผยเพิ่นสิทธทาก็เด็นยาค่ามาแปดกามือมาเกลียลงจุงเงาตนพ่จากนั้นก็นพนก็นคือเป็นนางนางอาสนะตียาฆ่าติปูไวแปดกามือ จากนั้นเพลินก็เอาขาขวาทับขาทรายมือขวาทับมือทรายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนี้คือกรรมฐานพระพุทธเจ้าให้มีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเขา้าหายใจออกให้พวกเข้าฟังเอาไว้คานวัฒน์นางภผ่าหนาทะเลทะลัยคิดออกนอกโลกนอกรูนอกทางอันนั้น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 ตัตรูถ้ำมดแรกก็คือปุบเพในว่าสานุสติยานระลึกชาติทุนหลังได้คล้ายๆว่าเพิ่นเบิงแหละว่าตายแล้วบศูนย์ตายแล้วเกิดอีกปุบเพในว่าสานุสติญานระลึกชาติทุนหลังคือบรมเนสรุปเลยก็คือเฮาบุรีเกิดมากมือหนึ่มือเดียวเฮ้าเกิดมามือหนึ่มือเดียวมือว่านบอมมีมือก้อนบอมมีเดือนก้อนปีก้อนบอมี่เฮ้าเกิดมากมือหนึ่มือเดียวบรมเนจังสันปกปูเตเจ้าพลวามือว่าน มือก่อนเดือนก่อนแล้วก็ขามพบขามชาติไปอีกเนี่ยวุปเพเนี่ว่าสานุสติญาณระลึกชาติคนหลัง่าชได้พอถึงเที่ยงขึ้น ต, ตูตูปปปาแต่ยานพอไก่สี่แจงอาสาวัคยายา่าอันนี้คือวันเดือนหกเพตน and, แต่ในหลวงปูหมันบาดต้นตะกูลของเฮ้าเนี่ยเพิ่นเอากรรมฐานของพรนะพุทธเจ้าเนี่ยมาประยุกใชสองยางเอสองยางคือ อาณาปานสติกำหนดลมหายใจเข้ารูัว่าหายใจเข้าหายใจออกรัวาหายใจออกมันลุดได้ง่ายมันลืมได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายหลวงปู่สาวหลวงปู่มันเพิ่นเกี่งอยากจะยิ่งจากกู้บายจานของเพิ่นมากขึ้นกันเพิ่นว่าหายใจเข้าบริกรรมว่าพดหายใจออกบริกรรมว่าโทษเอาเป็นสองนพนผลใจสองพลัง้งเลยทั้งหายลมหายใจพร้อม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 จะหายใจเข่าพุทหายใจเขา่าหายใจออกหายใจเข่าหายใจออกเน่ะก็หายใจเขา่ า, ออนะ า, เขาพุทหายใจออกโทษเลยเออมันก็ได้อันนี้คือพ่อแม่คู่บ่ายจานของเฮาจากเนือนเมื่อจิตสงบแล้วบัดนี้พิจารณาจังไรอันนั้นคือสมถนะเนอะวิปัสสนาจะเดินแบบไรนั่นแหละสมถะคือคือทำจิตใจให้สงบอวิปัสสนาคือคือการแยกแยะให้รู้จักเหตุและผล อันนี้แหละหลวงปูหมันหลวงปูเสาพนศรมาถึงพ่อแม่คูบาอาจารย์เท่าบ่เนี่หลวงปูขาวหลวงปูเทศหลวงปูฝันหลวงปูอ่อนหลวงปูกงมาเอ่อหลวงปูกูหลวงปูกวาหลวงปูหล่าหลวงปูตามหาบัวเนี่ยปั้นก็สอนแนวแถวของหลวงปูหมันเออพ่อบาเนี่พ่อคูบาอาจารย์ของเท่าบ่เนี่ที่ไลยซื้อมาทั้งหมดเนี่ยเมื่อท่านล่วงรับรับขันไปแล้วกระดูกของเพลนเด็ดกลายเป็นประาัดให้เข้าเห็น หลวงปู่มันก็กลายเป็นพระาธาตุยูจกุนครหลวงปู่เสาก็บเก่เป็นพระาธาตุยูดวัดบ้านาธาตุพิบูรลมั่งสาหาันเมืองอุบลแล้วกูบายจานแต่ละองค์กับเป็นพระาธาตุให้พวกเข้าได้เห็นอันนี้แปลว่าถ้าจะว่าไปเลยคือตระกูลของเข้าตระกูลพระอรหันต์พูดง่ายๆตระกูลพระอรหันต์เข้าหน่าจะเสื่อถือได้ พนั้นมาถึงยุคของเขาเนี่โค้งหลานนั่นแหละบานเนี่เออลงปูเสาลงปูหมันเป็นพ่อเนี่ยลงปูต่างๆเลยเป็นลูกบา้านในพวกเขาเป็นลูกของคูบาอาจารย์แล่านั้นให้ยึดแนวแถวปฏิปทาเนะียสรุประบาดเนี่ยให้ยึดแนวแถวปฏิปทาพอแม่คู่บาอาจารย์เท้าผ้าดําเนิรมาเด้ออย่าออกนอกหลู่นอกทา่างพอแมนเขาสิต เออผู้หนึ่งมากแนะนํามาแต่นึ่งกับจิเปไปแต่หนึงผู้นึ่งแนะนมามันกับเปไปทั้หนึงหาจุดยืนบ่อใดอันนี้ไปว่าหลานหลวงปู่มันนี่แหละหลวงพอ่อจิตบอกเกาวขอลองแนะนาพวกน้องๆทั้งหลายให้ยึดตามแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่คูบาอาจารย์สายหลวงปู่มันปฏิปทาของลูกของหลวงปู่มันธรรมเลิหคิดของพ่อแม่คูบาอาจารย์เท่าล้วนแล้วจะเป็นิลิเป็นมงค้น โบแมนสิผูกเขาท้งอื่นมาแนะน้าแพ่งกระสินจังสันเพ่งกระสินจังส่เขาส่งจังสันเขาเจ้าจังส่เเพื่อมีอภินิหารจังสันพลังหนกจังสันพลังในจังสิพลังจักรว่านจังสันพลังเทวดาจังส่พลังพระพุ่มจังสันอโบแมนสิทรายหนาท้ายหลังอผลที่สุดกือลืมแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่กูบาายานผ้าดําเนินมาก อันนี้บนหน่าจะถูกนะเล่าเป็นลูกจิตลูกหลานลงปูหมันให้ยึดแนวปฏิปทาของลงปูหมันจิตให้แนนศึกษาให้ดีฟังให้เข้าใจแล้วปฏิบัติตามพวกเข้าโค้งจะเดินตามแนวแถวพ่อแม่กู้บาอาจารย์เดินตามผูไงหมาบอกร์หนะ่อันนี้คือการเดินตามปฏิปทาของพ่อแม่กู้บาอาจารย์ของเข้าแล้วมีแต่ความจเจริญ นี่ล่ละหลวงพอบอมเนเทศเดเพียงแต่ว่าแนะนำโนมหน่าให้กับคณะพวกน้องๆทางหลายที่มีอายุพรรษาน่อยกว่าเนี่ยรหลวงพ่อไปเบ่าอยู่ใสหลวงพ่อจะพูดในลักษณะนี้แต่พูดไปพูดมากก็เหมือนกับหลวงพ่อนี่แคบพดให้จะยึดตะแนวแถวหลวงปู่มันบอให้เอาองอื่นบแมเอนพวกเข้าศึกษาภาษายนี่ คือการเขาศึกษามาเหตไทเหตหน้าเน่ยหลบเข้าเป็นชาวหน้าเขาเกิดมาเป็นชาวหน้าเข้าข้อเหตหน้าพอเหตหน้าพอแนะนําเหตหน้าตัวเองบทธนัตทั้งเอเป็นบัญชีบทปแนะนําบทเหให้เหตบัญชีอาจารย์ีนะ่เอาไปมากเขาสี่เจงในง่ายๆขึ้กันเข้าเหตหน้าเขาก็ต้องสอนวิธีการเหตหน้าหลวงปู่หมันสอนแบบไหนเขาก็สอนแบบนั้น อ, องค์อื่นพินสืบสอนวิธีคณิตศาสตร์วิธีอหน้าศาสตร์จะหลวดดาวเทียมเอออันนั้นเพิ่งกรสอนไปก็สุดแท้แต่เพิ่น เ, เพราะว่าพวกเข้าเนี่ยบริเลียนมากสายนั้น เ, เพราะนั้นจะว่าแคบก็แมนจะว่าเจาะจงกระแมนจะให้เดินตามตีหลูมมากกแมนขันว่าผู้ใดบ่เสือบ่จากเดือนบ่จากเดินส า, า, ายไหนก็เอาตามสบายอโลกนี่มันโลกหาใดทั้งมดัด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 โคดโกงปนจีเบียดบังทำความชั่วให้เกิดกับชุ่มชนสังคมความบดีบนขี่หลยทั้งหลายอย่าไปหาเหตุให้หาในสิ่งที่มันถูกต้องเป็นธรรมนี่แหละเข้าเกิดมาพบพุทธศาสนาพบพ่อแม่กูบาอาจารย์แล้วควรจะเป็นจังสัน้นเออเมื่อนหนหลวงพอ่อให้แนวความคิดอีกแนวหนึ่งนะเอารับพรมานะ